เห็นหน้าบุคคลที่ยังไม่ชอบใจนั่นแหละมันติดแล้วทั้งตัวเราเราก็เลยว่าต้องเอาสนะคนนั้นพยายามพูดให้คนนั้นไม่ติดอย่างนั้นเราเลยมันได้มาแก้ตัวเราสแสดงว่าเราไม่ได้ศึกษากับธรรมชาติจริงๆบางคนฟังเสียงพูดเสยๆยังไม่ทันได้เหนเห็นหน้าเสียงดังมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจแล้วทุกคนต้องมีอย่างนี้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 เมื่อทำบุญแล้วมันสบายใจจับหลักการที่สบายใจนั่นแหละไว้ให้มันดีเมื่อมีคนมาพูดให้เราเราคนรีบทิ้งซะมาจับหลักการที่สบายใจนี่อยู่เสมอไปก็เป็นบุญได้ถ้าหากว่าเราไปทำบุญเงินสักร้อยสักพันสักหมื่นสักแสนเป็นล้านก็ตามนะถ้ า, ายพระ้าแล้วสบายใจเมื่อมีคนมาพูดให้เราเกิดไม่สบายใจแสดงว่าบุญไม่มีแล้ว